บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปและกล่าวถึงเรื่องสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้อนา จ, จะเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจะมูกดมกิ่นลิ้นรถกายตุกต้องหยุดร้อนอ่อนแข็งและใจเหนียวนึกถึงอารมณ์ มาโดยลำดับสังโยชน์ที่ค่อนข้างจะสำคัญมากก็คือการมราคะสังโยชน์ในแง่ของผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นคนจรักกิเลสประเภทนี้ได้เด็ดขาดจริงๆคือไม่กำเริบได้จริงๆมีตั้งแต่พระริยบุคคลระดับปนาค า, าู่ขึ้นไป ซึ่งหมายความว่าแม้แต่พระอสดาบันพระสกทาคามีก็ยังละสังโยชนี้ให้ขาดไม่ได้เพราะไรเพราะกิเลสประเภทนี้คือกิเลสประเภทโลภะที่บางครั้งทรงเรียกวาราคะบางครั้งทรงเรียกว่าโลภะบางครั้งเรียกว่าการมะก็แล้วแต่แต่ถ้าสอนเป็นรูปหลัก เวลาสอนชาวบ้านจะส่งใช้คำว่าโลภะเป็นหลักเวลาสอนพระจะใช้คำาราคะหรือกามราคะเป็นหลักแต่เมื่อล่าวโดยสรุปมันก็แบ่งออกไป็สองฝ่ายที่เราเรียวกว่าวัตถุกามคือวัตถุที่ก่อให้เกิดความใคร่ความปรารถนาความยิน ด, ดีความพอใจต้องการ ก็ได้แก่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ซึ่งผ่านมาทางตาหูจมงลิ้นกายใจของคนวัตถุเหล่านั้นที่จริงแล้วโดยสภาพของเขาก็คือวัตถุเป็นสังขารธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาแล้วเขาก็เป็นเขาอย่างนี้ตั้งแต่หดแต่ไรป่ป อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมจิติหรือตั้งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดามเป็นธรรมะธรรมนิยามคืออยู่ในกฎเกณฑ์นเงื่อนไขของธรรมชาติหมายความว่าถ้ามีเหตุปจัจจัยเขาเกิดเขาก็เกิดได้เหตุปัจจัยให้ดำรงอยู่เขาก็ดำรงอยู่ได้ เหตปัปจจัยเสื่อมสลายเขาก็สลายดูง่ายๆแค่ฝนตกแดดออกเนี่ดูได้ง่า ย, าดดออาายมันไม่ใช่ตกเสมอไปหรือว่าแดดออกเสมอไปแต่เหตุปัจจัยฝนตกมันก็ตกเหตุปัจจัยออกมันก็ออกเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยฝนก็ไม่ตกหรือแดดก็ไม่ออกเพราะในสิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วเขานั้นเป็นอภปญากาตธรรม คือธรรมะที่เป็นกลางกลางการที่เขามีอิทธิพลเหนือใจคนได้ก็ต่อเมื่อคนไปกำหนดคือให้ความสำคัญแก่สิ่งแบบนั้นถ้อยราองสังเกตว่าจะเป็นบุคคลก็ตามสัตว์ก็ตามสิ่งของก็ตามเมื่อตอนที่เราไม่รู้จักเขาก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อใจเราพอ ร, รู้จักแล้ว ถ้าเรารู้สึกเฉยๆเขาก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อใจเราอีกแต่เมื่อรู้จักแล้วเาเราไปกาหนดเขาในฐานะเป็นที่รักเป็นที่ชังางจะเริ่มมีอิทธิพลตรงนั้นก็แสดงว่าการที่เขาจะมีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลมันอยู่ที่ใจเราไปให้ความสาคัญแก่เขาในฐานะอะไร ถ้ากำหนดค่ากำหนดความน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจใจเราก็เกิดความรักความปรารถนาความพอใจแต่ก็ดิ้นไปในสายของการมาราคะซึ่งเมื่อเป็นกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงมีทุกข์ในการแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนมีทุกข์ในการต่อสู้ อุปสรรคขัดขวาง ท, งทั้งที่เป็นหมื่งสิกมีชีวิตไม่มีชีวิตอำนาจอิทธิพลเสียงภยัยเสียงอันตรายสารพัดเพื่อได้สิ่งนั้นมาครอบครองพอได้มาครอบครองแล้วก็ดีใจอยู่ชั่วประเดี๋ยวประดาต่อจากนั้นจะเกิดความมีตกกังวลความหวงความหวงกลัวภยัยกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นบางีก็ต้องนอนไม่หลับ ก็ศัพท์ก็สาวิตกกังวลต้องจ้า ง, างยามต้องมีวิธีการต่างๆที่จะปกปักรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ถึงตรงนี้ถ้าเราหยุดถามใจเราว่าถ้าเราไม่อยากได้เนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมีหรือไม่อุปสรรคอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการต่อสู้การจู้จ้งการขัดขวางการประตุสร้ายกันจะมีหรือไม่ก็ตอบว่าไม่มี เพราะสิ่งเหล่า น, นี้มัเป็นผลพวงที่สืบเนื่องมาจากเราไปอยากได้สิ่งนั้นเข้าเท่านั้นเองทีนี้เมื่อสแสวงหามาแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นทุกข์ซึ่งก็หมายความว่ากิเลสตรงนี้ก็สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นในช่วงของการสแสวงหาและในช่วงของการที่ไม่ได้พอได้มาแล้วปรากฏว่ามันก็เกิดทุกข์อีก แต่เป็นทุกในการดูแลครอบครองป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นบางทีก็ต้องตายกันเลยรักษาสิ่งอันเป็นทิรักคนอันเป็นทิรักสัตว์อันเป็นที่รักทั้ทงตนเอาไว้แล้วพอสิ่งนั้นตาบเท่าที่สิ่งนั้นยังดำรงอยู่เราก็มีแต่ทุกไม่แต่ห่วงยายวิตรอกังวลในการดูแลใ น, ในการเอาใจใส่สิ่งเหล่านั้น พอสิ่งเหล่านั้นเกิดเป็นอย่างที่เขาต้องเป็นนะครัว่าเขาต้องเป็นนั้นมันก็ดูง่ายๆอย่างแนวอพิหนาปัจจุบขณะที่อุะเจ้าทรงสอนในพิจารณานั้นเองเราจะเห็นว่าพวกนี้ที่จริงก็คือวัตถุ ก, กามเหมือนกันหมายความว่าทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากเพราะการแก่ก็ดีการเจ็บก็ดีการตายก็ดีการพลัดพรากก็ดีนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องเป็นคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เนื่องจากใจเราไปปลูกพันธุ์ไว้ด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาจนเกิดมีความรู้สึกสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งเดียดนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปหรือเราจะอยู่กับสิ่งเดล่านั้นตลอดไปบาทีมันก็คิดทั้งสองอย่างนะคิดทั้งสิ่งเหียดนั้นเป็นของเทียงแท้แน่นอนและเราก็เที่งแท้แน่นอนก็อยู่ร่วมกันตลอดไป เป็นความปักใจที่ไม่ยอมลื้อผูลืมตาโดูความจริงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบเราก็เกิดความทุกข์แต่ว่าก็ไม่มีความหลับจาหรอกรสิ่งเหล่านั้นสูญหายไปเราก็หาใหม่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ ว่าคนเรามีโคมันก็ทุกข์เพราะโคมีนาก็ทุกข์เพราะนามีบุตรก็ทุกข์เพราะบุตรมีสามีปัญญาก็ทุกข์เพราะสามีปัญญาัหมา ย, มยมความว่าไปจับอะไรเข้าก็ตามนี่ความทุกข์มันจะตามมาเพราะตัวการใหญ่จริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวนั้นมันอยู่ที่ใจเราไปกําหนดไปให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นดังนั้นในกรณีนี้แหละ เราจะพบว่าพระเจ้าทรงมีวิธีสอนเพื่อจะลดความรุนแรงทางอารมณ์ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเอาก็จริงแล้ววัตถุกรรมนั้นก็คือปัจจัยในการดารงชีวิตพวกปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ที่เราเรียกว่าพกอาหารเครื่องงงงมที่อยู่อาศัยยาแก้ไขที่จริงก็คือวัตถุกรรมแต่ว่าทายังไงการบริโภคใช้สอยวัตถุกรมเหล่านั้นจึงไม่ เป็นธาตุแล้วไม่สยบติดไม่เดือดร้อนวุ่นวายกันมากเกินไปเป็นการทวนกระแสโลกเพราะโลกเราอยู่ท่ามกลางอารมณ์ยั่วยวนให้เกิดความหลงหลคลั่งคลายมีความต้องการปรารถนาพอใจตอนวิธีที่ทรงสอนจึงทรงสอนไว้หลายระดับระดับศีลที่เคยกล่าวมาแล้วนั้น เห็นว่าศีลก็คือป้องกันกิเลสประเภทโลภมันก็คงจะต้องการสแสวงหาปัจจัยสี่อยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าควบคุมในการสแสวงหาอย่าให้มีปัญหาเพราะการสแสวงหาในขณะที่บริโภคใช้สอยก็เป็นการบริโภคแค่สอยอย่างรู้เท่าทันถึงความจริงจะ่ที่ทรงสอนในพิจารณาพวกปัจจัยสี่ ปัจจัยี่จึงกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งที่สอนให้คนได้คิดเพราะเช่นเรื่องของอาหารเนี่ยมันจะดีพิเศษยังไงก็ตามก็สรุปแล้วอาหารมันก็ทําหน้าที่ของอาหารอาหารแปลว่าสิ่งที่นําผลมาให้อาจจะดีก็ได้อาจจะมีก็ไ ด, าาก ด, กได้ก็ไม่รู้แล้วแต่กินอะไรเข้าไปแต่ก็นําผลมาให้ ซึ่งผลนั้นที่จริงก็มีปานปัญหามากมายกายกองในจุดแรกเนี่ยทรงสองในให้พิจารณาเพียงระดับที่เรียกว่าอย่าเป็นาธาตุของอาหารอย่าจนถึงทำบาปเพราะอาหารก็โดยสอนให้บุคคลสามารถทำชีวิตให้เป็นไปได้เรียกว่ามีอยู่มีกินได้ไม่ต้องทำชั่วในการแสวงหา จะทำยังไงก็คือควบคุมการแสวงหาอยู่ในกรอบของสีนที่เราเรียกง่ายๆว่าสามาอาชีพคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็ที่จริงก็อาจจะได้มาม า, มากๆก็ได้ก็ไม่เสียหายอะไรขอให้ได้มาในทางที่ชอบไปแล้วกันเพราะชีวิตในการครองเรือนนั้นจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองมีความบูรุม่มสมบูรณ์เพราะว่ามีคนมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมาก แล้วก็สงสองในให้คิดอีกระดับหนึ่งคือมาความคบคุมไว้ระดับของสมาชจิวิทยาเรื่องทีพในทางที่ชอบแต่ว่าเรี่องที่ในทางที่ชอบแล้วในในการแสวงหาอาจจะชอบในการไปพกใช้สอยอาจจะเป็นธาตุบนปลือตัวเองหาความสนุกสนานด้วยการกินด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยการแสวงหาที่อยู่อาศัยรู้ด้วยกินยาบำรุงอะไรต่างอีกมากมายแก่ เพราาถึงจุดนี้ก็สอนให้คิดอีกนวหนึ่งคือเห็นว่าพวกอาหารเนี่ยเรารับประทานเข้าไปก็เพื่อจะขจัดความหิวเก่าเพื่อป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีความเจริญเติบโตเป็นเครื่องมือสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำความดีได้เพราะพวกนี้ท่าเ น, นเรียกอีกจหนึ่งว่าเครื่องอาศัย มันไม่ใช่เป็นตัวชีวิตแต่เป็นเครื่องอาศัยเปรียคล้ายกับรถกับคนเนี่ยรถก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่รถแต่รถก็เป็นที่อาศัยของเราจะไปไหนมาไหนแต่พอไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็ต้องลงจากรถคือต้องทิ้งรถอยู่ในรถมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะอาหารนั้นจึงกลายเป็นเครื่องอาศัย หลังจากนี้ก็ทรงสอนระดับที่ทํายังไงว่าให้โโเรียกว่าโภชเนมัตันยูตาคือรู้จักประมาณในการบราาิโภคพัตนาหารใหญ่มากเกินไปใหญ่น้อยเกินไปร่างกายคือสําเร็จประโยชน์ได้ความอิ่วเก่าก็ถูกจัดไปได้ความอิวใหม่ก็ถูกป้องกันไว้ได้มีเด้ยวยแรงเกิดขึ้นแต่อยู่ในวัยที่กําลังเจริญเติบโตก็ เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ตนเองมีความเจริญเติบโตนั้นถือเป็นวิธีการวิธีหนึ่งทีนี้ถ้าหาก็จะเดินเลยไปจนถึงนั้นตอนนี้จะเรียกว่าเป็นยาปนัดตงังคื อ, อยังชีวิตจะเป็นไปได้ก็ไม่รู้อะไรที่เรากินกินเข้าไป คือก็ต้องการว่าให้ให้มันบรรลุ ป, ประโยชน์ตามที่ตนต้องการเพราะฉะนั้นนอกนอกจากมีวิธีพิจารณาแล้วเนี่ยมันมีวิธีเอาอาหารเหล่านั้นเข้าช่วยสานวนบาลีว่าอาหารที่ผสมกันอันที่จริงอาหารเหล่านั้นก็ผสมกันในท้องในคอเราอยู่แล้วในปากเราอยู่แล้วก็ผสมอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เห็น มันก็ยังเน้นที่ความอันเด็รอร่อยอยู่เพราะตอนเป็นระดับกรรมฐานให้ลองสังเกตเรื่องอาหารเรื่องเดียวนะแต่มันคน ร, ระดับกันเพราะระดับอาหารระดับกรรมฐานท่านเรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือกำหนดมาเห็นความปฏิกูลของอาหารเพื่อลดอะไรเพื่อลดความอยากเมื่อเราเห็นว่ามันปฏิกูลมันส ก, กรปรกมันน่ารังเกียจเราก็ไม่อยาก จากการกินก็จะเหมือนกับ น, น้ํามันหยอดเครื่องนั่นเองตีสงสัยคำว่ายังชีวิตจะเป็นไปได้เพราะชีวิตทนอยู่ได้เพรา ะ, ะสัมนวนในทางพระเนี่ยมีคําอยู่คำหนึ่งที่เวลาพระท่านจากไปบําเพ็ญเพียรปฏิบัติกรรมฐานห่างไกลจากพระพุทธเจ้า เวลามาคว้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะมีคําคำหนึ่งที่รับสัถามว่าเป็นไงพอพอทนไหวไหมซึ่งก็หมายความว่าในการดารงชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอดทนแม้แต่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่ไปวินสบายมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างจนถึงก็กินได้บ้างกินไม่ได้บ้างแต่ก็ต้องทนแล้วก็ ก็ต้องคิดว่าวันนี้เครื่องมันเดินได้แล้วกันนะน้ำมันยี่ห้อไหนไม่สําคัญตรงนี้ก็จะเอาอาหารมาผลกันดังพิจารณาที่เราเรียกว่าปฏิสังขายโยกเงั้นเวลาพระจันารอาหารก็ต้องตั้งใจพิจารณาที่อาหารไปอย่างแบบรูปแบบของกรรมฐานนั้นก็จะมีแสดงเป็นรูปแบบ แต่พระทั่วไปเนี่ยท่านจะมองท่านจะพิจารณาในแง่คิดคือไม่จะไปสร้างรูปแบบไม่ติดในรูปแบบเพราะไม่ได้อยู่ที่รูปแบบเอาอาหารเหล่านั้นมาผสมทีนี้การผสมจริงๆมันก็ใช้หลายระดับระดับหนึ่งเอกของเหล่านั้นแหละไปปนกันไว้แต่ไม่ถึงกับคลุกคล้าเข้าด้วยกันนั้นถือว่าอีกระดับหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะกินยากขึ้นทุกที แต่เพราะเราไม่เน้นในเรื่องของความอ ร, ร, รอิเรอด์เรสามารถทําใจได้รับประทานได้ในจุดนั้นอีกประการหนึ่งก็เอาอาหารมาคลุกคล้ากันเฉพาะขาวเป็นขาวหวานเป็นหวานานี่ถือๆ อ, อีกระดับหนึ่งเลยกินยากขึ้นกว่าเดิมทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอาทั้งหมดมาผสมคลุกคล้ากัน ก็เรียกว่ายังดูเป็นรูปเป็นร่างอะไรที่บางทีท่านเล่นแรงๆเนี่ยต้องการทรมานตัวเองดัดสันดานตัวเองคือวิจารณาแล้วไม่เห็นจริงก็ทีหนึ่งเราสิ่งเหล่านั้นมาขยามรวมกนไปเลยตรงนี้ก็กินยากสาหัสสากันแต่ว่าสำหรับคนที่ ต้องการจะธรมานตนโดยวิธีนั้นคือหมายความว่าสามารถไม่สามารถที่จะข่มกิเลสลงไปได้โดยวิธีอื่นมันก็ใช้วิธีนั้นแต่ไม่ใช่เป็นบทบังคับเพราะพื้นฐานจิตใจของคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วจะแนวอารมณ์กรรมฐานที่เราเคยพูดกันไว้ในตอนต้นๆ น, น, นานมาแล้วโดยลำดับ ที่พระเจ้าทรงสแสดงกายานุปัฏนานตติปัฏฐานที่จริงก็คือวัตถุการมนะกายมันก็คือวัตถุการน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจมันกคือตัวกายนั่นแหละจะยุ่งๆกันอย่างนี้เพื่อนรู้เจ้าก็ทรงวางสอนไว้ตามพื้นฐานจริตอัตยานสายของบุคคลจากละเอียดไปสู่หยาบขึ้นโดยลําดับตอนจะวิธีละเอียดไปก่อน ลมหายใจก็ออกที่จริงก็คือส่วนหนึ่งของกายหรือว่าเป็นกายส่วนหนึ่งเจ็ดลมหายใจอยู่ข้างนอกมันก็เป็กายภายนอกหายใจอยู่ข้างในก็ถือเป็นกายภายในกายก็คือเป็นกลุ่มเป็นที่เกาะกลุ่มกันอยู่เป็นที่ประชุมเป็นที่รวมของสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งหลายเพั้นลมหายใจถ้าเรามีกรรมพิธีทางวิทยาศาสตร์เอาสิ่งเหล่านั้นมาตรวจสอบเราก็จะพบว่ามีเชื้อโรคอยู่มีสิ่งสกปรก ป, ป, ปะปนอยู่มากกวางน้อยบ้างก็แล้วแต่ บาตรธรรกไปแค่นี้ได้มองเห็นความไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนของร่างกายได้แล้วหายใจเข้าหายใจออกหายใจไปหายใจมาเอ๊ะชีวิตเรามันก็แค่นี้เองมันอยู่กับลมหายใจที่ปลบปลื้นี้เองเหมือนกับไฟที่อาศัยลูกสูบของช่างเหล็กสูบไปได้ด้วยจึงสามารถที่จะทําเหล็กให้ร้อนได้ พอเิกสูบไฟมันก็อ่อนแต่ไฟมันอ่อนแต่ว่าชีวิตเรานั้นถ้าเลิกหายใจมันก็ดับพอมองไปที่วัตถุกรรมตัวนอกที่เราจะน่าคลาน่าปรารถนาน้าพอใจยังไงมันก็เหมือนกันเน่มันขึ้นอยู่กับลมหายใจก็ออกแค่นั้นเองจิตใจไขว่คว้าปรารถนาก็จะลดลงท่านก็ไปกันท่านได้เพียงเท่านี้ในบางคนในผู้ขนาดนี้มันก็ไม่ได้ พระเจ้าก็ทรงสอนให้ดูอิริยาบถที่ยืนเดินนั่งนอนให้เห็นว่าเราตายจากอิริยาบถนั้นๆเราเกิดในอิริยาบถนั้นในขณะนอนอยู่พอลุกขึ้นนั่งมัก็ตายจากอิริยาบถนอนมันก็เกิดเป็นอิริยาบถนั่งพรนั่งแล้วลุกขึ้นยืนมันก็ตายจากอิริยาบถนั่งมากลายเป็นอิริยาบถยืนปรยืนปรเดินอิริยาบถยืนก็ตายอิริยาบถเดินก็เกิดเดินประยืนมานั่งมันก็เดินมันก็ตายแล้วก็กลายเป็นนั่งไง ก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆคือสรุปมันเกิดตายเกิดตายอยู่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆแล้วถ้าเราแผ่นฟิล์มเหล่านั้นมาดูเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเกิดตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเปลี่ยนแปลงทั้งในสื่อเนื้อหาและในสิ่งที่เป็นรูปแบบภูริบททั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงไปการเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปตัางกายเราก็แก่ต่างไป ตรงนี้ตั้งก็พิจารณาดูเฉพาะยึดเด็ดดังนอนตั้งก็ไปได้แล้วแต่ไปมองไปข้างนอกมันก็คือกันคนสัตว์ทางหลายหรือแม้แต่สิ่งของทางหลายมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์เหล่านี้คือเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆปัญหาว่าเคยดับก่อนดับหลังนี่ยิงก็ต่างคนต่างดับนะเพียงแต่บนเกิดต่อกันมาก็เลยดูค่อยๆจะไม่ดับ แต่บางท่านเนี่ยท่านท่านท่านยังมองไม่เห็นตรงนี้สติท่านไม่มีกับบางพอแต่พรัญญาทำไปเพาะพระเจ้าก็เปลี่ยนวิธีเอาให้รักฝึกสติให้มันมั่นแล้วลึกรู้อยู่ทุกเริยาบททุกจังหวะที่มีการเคลื่อนไหวไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจะถ่าจาระบัสสาวะจะแปรงฟันจะอาบน้ําจะอะไรก็ตามคือมีสติสามั ญ, ญัญญะระลึลกรู้ทันอยู่ตลอดเราก็จะเห็นความเกิดดับในจุดตอนนั้นเหมือนกัน เลยก็มองไม่ที่คนอื่นคนอื่นก็คือกันสิ่งอื่นสิ่งอื่นก็คือการสัตว์อื่นสัตว์อื่นก็คือกันต้องไปกับท่านได้ในตานนี้มต่บางท่านเนี่ยตัณหาราคะมันแย่คืออะไรก็ไม่รู้มันก็คิดสวยอยู่เรื่อยเพราะเราจึงพบไอ้พฤติกรรมต่างๆ ที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนซึ่งอย่าบ่างกลางบ้างาละเอียดบ้างก็รุนแรงบ้างก็ดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อแต่มันมีอยู่ในโลกนี้และไม่ใช่เพิ่งมีเดี๋ยวนี้หรอกไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรคือคำพีในรูธศาสสนามีคำพีหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยรู้หรือไม่ก็ได้อ่านะพระเองก็ไม่เอามาพูดมันก็รู้กันในหมู่นัพากพิจารณาจนวนไม่มา ก, กอะไร ตั้งใจศึกษาค้นคว้าจริงๆคือเรื่องพระวินัยบิดกพระวินัยบิดกนั้นจะเล่าเรื่องต่างๆเอาไว้เกินบุคคลที่ไม่ควรบวชหรือห้ามบวชเนี่ยกดจำแนกประเภทไว้เยอะแย ะ, ยะรวมแล้วก็ประมาณสักห้าสิบประเภทแล้วท่านแสดงลักษณะของคนเหล่านั้นเอาไว้มันเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงลักษณะทางอารมณ์เป็นยังไง ทำไมจึงห้ามบวชมันก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมราคะท่วนใหญ่ล้วก็เกี่ยวกับกรรมราคะเราเรื่องเรื่องเหล่านี้ในแง่ของธรรมชาติมนุษย์มันก็ธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าคนที่กิเลสเขาหยาบจยากเนี่ยเขาดูขนาดนั้นก็ไม่รู้เรื่องหรออย่างนี้พระเจ้าทรงสแสดงการฝึกมาให้ดู เาะม้าบางชนิดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรบ้านมันทำไปได้ตามความคิดของนายทันทีม้าอีกชนิดหนึ่งนั้นจะต้องนายจะต้องถือแสไปด้วยแต่ว่าไม่ได้หวดแสอะไรเห็นเงาแส ก, ก, ก็ก็ทำอะไรได้แล้วอีกชนดหนึ่งมันต้องต้องได้ยินเสียงแสคือหดแสบนอากาศไม่ใช่ไปหดบนตัวม้า มาก็ทําอะไรได้แล้วแต่มาบางชนิดนีต้องลงแท่กันไลยแต่บางชนิดลงแท่ต้องลงหลายทีบางทีลงแท่ยังไม่ไปเลยทั้งอันนี้คือ ก, ก็คือวิธีการที่ทาให้คําสอนนั้นในเรื่องเดียวกันที่จริงก็เรื่องเดียวกันแต่ว่าดีคนมันต่างกันมันก็ใช้วิธีต่างกันอย่างคล้ายๆเรานาท่อนไม้มาเรียงไม้มาเรียงเอาไว้ เป็นไม้สุงก็มีไม้เลื่อยแล้วก็มีไม้ที่เป็นแผ่นกระดานก็มีไม้ที่ใส่กบมาแล้วก็มีไม้อัด ก, ก็มีเนี่ยเนี่ยเราก็บอกให้เราทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้เครื่องมือที่จะใช้ในตอนต้นมันต่างกันเราจะเอากระดาษทรายไปขัดสุงมันก็ทําไม่ได้ตระหนัว่าในตรงนั้นเราจะใช้ตรงไหนสําหรับไม้ชิ้นนั้นไม้ท่อนนั้นจะใช้ เครื่องมืออะไรในการทำเป็นเฟอร์อนิเจอร์คือสรุปประจุดไม้ปลายทางก็คือเป็นเฟอร์อนิเจอร์แต่เครื่องมือใช้นั้นต่างกันเพราะแนวการกำหนดระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้อิริยาบทสี่การรู้อิริยาบทย่อยทั้งหลายแต่ละอย่างที่จริงก็เป็นกรรมวิธีสำหรับคนนั้นๆแต่เวลาท่านสอนท่านสอนมากๆ ก็เพื่อคนพิจารณาดูตัวเองะรู้จักตัวเองรู้ตัวเอ ง, ว, เองว่าเราเนี่มันควรจะใช้อารมณ์อะไรจินใจแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ทีีถ้ากินเด็ด ย, ยังอยากอย่าขึ้นไปอีกจุดหนึ่งก็คือการแยกกายเป็นธาตุสีเป็นดินน้ำลมไฟแล้แยกกมาดูเป็นชิ้นๆล้วดูตรงไหนถนัดก่อนเราก็ดูตรงนั้น เช่ในส่วนที่เป็นดินเช่นผมขนแล้วดฝันหนังเนื้ออินกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหัวใจตับฝังปื้ดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่าจนถึงมันสมองพวกนี้ก็เป็นธาตุดิบก็เกาะคุมกันเป็นกายเนี่แหละแต่พอแยกส่วนออกมาก็ปฏิกูลเขียนได้ชัดว่าปฏิกูลแต่ว่าใจมันไม่ยอมแยกอะคือ ใ, ใจมันไม่ยอมแยกมันก็ต้องพยายามคิดแยกดูแยกไปดูไม่เห็นมันก็ต้องไป หาวิธีการตาร่างๆที่สะสมความคิดในเรื่องแบบนี้ทีนี้แยกตรงนี้ยังแยกไม่ได้ยังดูไม่ได้ก็ทรงสอนในรูปแยกอารรางกายเป็นสามที่สองส่วนก็ที่จริงเริ่มแยกจากกายเราแต่วัตถุเป็นนี้ตั้งของความกำหนัดนั้นที่จริงมีทั้งกายเราทั้งกายคนอื่นทั้งของของเราที่เป็นของเราแล้วแล้วจะเป็นของของคนอื่นไอ้เราสังเกตว่าของของเรานั้นเราหวงแข็งของของคนอื่นเราอยากได้ ตัวก็เราเราทานุชทนหนอมตัวคนอื่นที่เรากำหนดว่าน่าใคร่เราก็อยากได้เพราะว่าเงื่อนมันก็เกิดทั้งสองทั้งสองฝ่ายคือทั้งข้างนอกและข้างในคือทั้งสองอย่างเลยกลายเป็นวัตถุกรรมได้กันทีแ้าถึงจุดนั้นยังพูดจากันไม่รู้เรื่องยังไม่ยอมเข้าใจนะฮะตอนนี้ก็เข้าป่าช้ากันเลยคือต้องการหเห็นชั ด, ชด แล้ก็ไม่ยอมดูไม่ยอมคิดไม่ยอมเข้าใจเจตจายก็ยังกับนัดเพลย์เพยอยู่ในสิ่งเหล่านั้นครูเจ้าก็นำไปดูศพเรื่องตัวเองว่าศพเองมันก็ย่อยเอาไปเป็นเก้าสิบประเภทเลยครับดูศพที่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไรไปก่อนแล้วก็คิดได้เห็นได้เข้าใจได้ถ่ายทอนผนคลายความกังวลความยุติสงไปได้มันก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นจุดของอารมณ์กรรมฐาน แต่บางทีมันก็ไปไม่ไหวคือยังกระสวยงามอย่างนั้นนหะต้องก็ต้องเปลี่ยนเป็นศพที่มีเปือยหน้าผูพังต้องช่วยทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรูปคือต้องช่วยมากหมายความว่าสีก็ดูหน่าขยะขยงกลิ่นก็ต้องเหม็นแรงๆรูปร่างก็จำรูปทรงเปื่อยหน้าผูพังมีน้ำเหลืองไหลมีนอนไหลออกมามาช่วยเพื่อให้คิดได้ได้ ทีนี้พอจับคิดได้ต่อไปเนี่ยมันจะมองในแนวสากลแต่มันจะไปตั้งข้อตังเกียจนะฮะคือมองในลักษณะรู้เท่าทันถึงปัญหานเหล่านั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าพระรูปเดิงที่ท่านจเจริญอธิกาสัญญาเนี่ยคือศึกษาในรูปของโครงกระดูกคือมองในแนวนี้มาร่างกายก็คือโครงกระดูกก็พยายามดูที่กายตัวเองเนี่ยจนเห็นเป็นโครงกระดูก พระโครงกระดูกมันก็ไม่มีอะไรสวยงามไม่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใดๆเดี๋ยวก็ท่านกรรมนาธิการคก็สนใจในกรรมฐ า, านอย่างนี้ใครเดินมาท่านก็แยกไม่ออกเป็นหญิงเป็นชายเพราะเป็นโครงกระดูกนั่นเองอโครงกระดูกเดินไปก็ามาถามมาท่านเห็นผู้หญิงเดินมาทางนี้ไหมท่านบอกไก็เห็นนะแต่ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะเพราะท่านมองไปแค่กระดูกเป็นด้านโครงกระดูกเท่านั้นเอง นี่ก็คือวิธีแต่และวิธีทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันต้องการจะบรรเทากรรมาราคะโดยเรียนจากข้างนอกเพราะใจเราไปกระโดดเกาะตัวนอกอยู่ก็ททำยังไงจะดึงตัวตัวเราออกมาจากสิ่งที่เราเกาะได้คล้ายๆกัเราไปติดสิ่งเสพติดมันก็ต้องพูดถึงสิ่งเสพติดถ้าเห็นโทษประจักษ์เพื่อให้เราหนีสิ่งเสพติดแตติดสุราก็ต้องพูดถึงโทษสุรา แต่ยิงธุรามันก็เมาอย่างนั้นนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราเกิดมาไม่เกิดมาธุรามันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่เราก็โจรเป็นทาสกับมันเองแต่านนนั้พระการจะลดละการจะเลิกได้ก็ต้องมองเห็นโทษของเขาศึกษาให้เข้าใจในโทษของเขาพราวัตถุการ์ทั้งหลายมันก็มีการศึกษาในแนวนั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป